อร่อยไหม ม, มันหิวนี่แล้วทําไงไม่อร่อยโมต้องกินแหละหิวอร่อยจึงกินน้ําน้ำน้ำน้ำน้ำนี้อร่อยไหมจะโกหกดิน้ําอร่อยไหมออร่อยไหมน้ํา นี่น้ำในขวดนี่อร่อยัหมอร่อยหรือไม่อร่อยมันไม่มีรสมีชาติโอ้ทำไมต้องกินหือกินเพราะอะไรไม่อร่อยเนี่ยหืมในในร่างกายต้องใช้น้ำ ถ้าทุกอย่างกินเหมือนเรากินน้ำเนี่ยจะดีไม่อาหารเนี่ยอาหารอย่างอื่นเนี่ยกินเพราะอาร่อยนะแต่น้ำเนี่ยกินเพราะจำเป็นนะี่ยมีไหมกินน้ำเล่นก่าน้ะนี่ปากแตกแก่มาแล้วเป็นมดทุกอย่างกินอาหารเนี่ยกินเพราะอาร่อยถ้าอาร่อยน่ยกินได้เยอะ แต่ถ้ากินตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เยอะนะน้อยๆจบมีไม่กินเล่นมีไหมมีไหมเดินทางกลับเนี่ยขึ้นรถเนี่ยซื้อขนมมากินเล่นมีไหมนั่นๆอยากินเล่นอยากกินเล่นต่อไปนี้อยากินเล่นขอให้กินจริงๆคือกินเฉพาะที่มันเป็นจริงนะครับชีวิตเนี่ยเหมือนเรากินน้ําเนี่ยมีไม่กินน้ําเล่นไม่มีถซื้อน้ํามากินเล่นว่ะ ไม่มีฮะมันเอาเท่าใจําเป็นอยากให้ชีวิตได้อยู่กับความเป็นจริงแบบเนี้ยพอดูเล่นมีไหมดูเล่นเล่นมีไหมดูหนังดูละครดูเล่นเล่นมีไหมเนี่ยไม่ดูเอาจริงสัทีนะดูแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวเองแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยมีอ่ะส่วนมากดูเพื่อความเออเพลิดเพลินดูเพื่อความเพลิดเพลินเดี๋ยวสวรวค์โลต้าจะฉายหนังให้ดูเนี่ยอา แต่ให้ดูแบบเอาจริงนะเนี่ยไม่ใช่ดูแบบเล่นๆส่วนมากชีวิตหนึ่งๆเนี่ยวันหนึ่งๆใช้กับการทําเล่นๆเนี่ยเยอะมากนอนเล่นมีไหมนอนเล่นเออมันนอนเล่นนะนอนอร่อยเฉยๆเนี่ยให้กูนอนเล่นนะวันนี้ติดนิดใสเล่นเนี่ยขณะมาสร้างจังหวะ น, นีย้ยังจะไปนอนเล่นอีกนะหลับเล่นๆเนี่ยกินเล่นๆไม่ได้หลับจริงนะ บางคนขอแต่พระพี่เลี้ยงไม่เห็นกูสักนาทีหนึ่งกูก็พอใจแล้วานะฮะมันกึบไปได้นิดเดียวก็เอาแล้วเนี่ยอีกหน่อยได้ยินใบไม้ดีอะไรตกเข้าแคกมามึงขึ้นมาเองนะมึงมันใบของมันเองเนี่ยดูนะดูนะเนี่ยหันหน้ามาทางนี้เห็นไหมเนี่ยพอเราไม่ปรุงแต่งเนี่ยกินในกละมังก็เป็นะแต่ถ้าว่าปฏิบัติที่อื่นเขาจะมีอะไร ถาดอย่างน้อยก็หลุมมาให้ถาดหลุมหลุมนั้นหลุมนี่นะอันนี้ไม่ต้องเอาละคนบนเปนกันเพราะกับเพา อ, อาหารจริงๆแนละ้วมันปรุงแต่งไหมน้ำพริกมามุมนี่นะลาบหมูมามุมนี่มึงแค่ไหนผักกาดขึ้นกำ บ, บนนะแอปเปิ้ลย้ายมาทางนี้ไม่มีอะลงไปมันมันไปเหมือนกันมันอร่อยมันรู้สึกแต่ในปากนี่แหละเลยนี่เข้าไปแล้วก็จบนั่นทำไมเราต้องต้องปรุงแต่งมากมายเนะี่ะ พอตักมาบางคนยังเอามาทิศชู่ลองอีกต่างหากวางทันีีกูอันนี้อันนี้นี่เก็บเข้ามาทิศอันทีิศอันเนี่ยโอ้ยหลายเรื่องอย่าไปปรุงมันมากมีอะไรก็กินไปตามเรื่องนี่อะไรเนี่ยในนี่เนี่ยสูงต่ำเนียอะไรเนี่ยเอานี่อะไร กล้วยนะนี่ น, นนะกล้วยดิบหรือกล้วยสุกมันเป็นยางอยางยืดออกมาถ้าปิดเอาไว้นะอยากให้มันสุกทำไงบ่มนะบ่มต้องปิดปิดฝานะปิดฝาบ่มบ่มแล้ะสมมุติว่าต้องบ่มใช้เวลาเท่าไหร่หือ มันยังไม่สุกนะสุกหรือยังโอ้ยคนละลูกนะสุกแล้วอ่ะมันสุกแล้วถ้าบ่มเนี่ยแต่ถ้าทำอย่างนี้ล่ะสุกไหมดิสุกหรือยังวะเนี่ยาเอาสุกหรือยังวะมันจะสุกไหมแบบนี้นี่ มันไม่สุกนะมันไม่สุกต้องบ่มนานๆนะต้องปิดฝาลู้ตายอยากพูดถึงเรื่องให้พูดเธอปิดฝาตัวเองหน่อยเดยเดี๋ยวนี้เรากำลังบ่มใจใจในี่มันมีกีเดนะ็บ่มเพราะมันคืออย่าไปพูดไปคุยอย่าไปเปิดให้ใครดูอย่าไปคุยนะ่ะอย่าไปพูดนั่นพูดนี่อย่าไปสนใจใครรีบอบอบเพื่อให้เกิดความร้อนนะเธอเคยได้ยินอ า, หารหันบ่มแก๊สไหม พรรหัตบ่มแก๊สคือปฏิบัติน้อยแล้วก็รู้แจ้งอย่างไว้เนี่ยบ่มแก๊สนะเอาแก๊สมาบ่มฐานแก๊สรู้จักแก๊สนะเขาเรียกอะไรฮถ่านฐานอะไรแก๊สนะภาษาไทยเรียกฐานอะไรเป็นแก๊สที่ใส่ตะเกียงนะ่ะนะจุดนะนะไม่ใช่เป็นก้อนฮะจันชัดวะมาจากกรุงเทพอะไร ไม่เคยเห็นลุงปูลุง ป, ปูคือไปเมืองนอกมาหนะ่ะลุงปูสั่งนี่ไปเมืองนอกมานะเธออย่าไปเผอนะเนี่ยไปเมืองนอกมาเด้กรุงเทพก็ผ่านมาเนี่ยลุงปูท่านแก๊กเดีนะเขาเอื้อมมาอย่างภาษาไทยเคยเอาไปไต่กบบอฮันโอ้น้นำมันมันจะอยูต่ตีเวลาเรากด มันจะติดเลยเป็นฐานข้างล่างนะจะเรียกฐานหินก็ไม่ได้เพราะ่านหินก็เป็นอีกแบบหนึง่งเรียกว่าอะไรฮะเอาอันนั้นใส่ในนี่มันจะร้อนเร็วมากเนี่ยอืมเรียกว่าฐานอะไรคุณหมอฐานมันหินขาวๆหรอกเรียกว่าฐานอะไรว่าไม่รู้เหมือนกันนะ่ะพวกบ้านนอก <c oughs> พวกทาง น, นอกต้องดา่าพวกดีคันทรี ไอชนบทเนะบรรน้อกเนี่ยลองดูนะนี่นานหรือยังนี่นานแล้วบ่มนะสุกเหลืองเลยนะนี่ดูนะมันเหลืองเลยนะคือถ้าบ่มเป็นนี่มันจะได้ลูกใหญ่ขึ้นนะคือเราต้องบ่มคือได้มาทีแรกเนี่ยมันดิบนะแต่บ่มนานอย่าอย่าไปเปิดฝาอย่าไปพูดคุทั้งเจ็ดวันเนี่ยพยายามระลึกรู้ เอาสตินีบ่มมันอนะพอเราไปพูดคุยหรือเราไปซักผ้าทำอะไรก็ตีนานๆเนี่ยมันจะละเหยไปเหมือนเราเปิดไว้เนี่ยมันนานสุกบางทีี่กายเป็นเหี่ยวด้วยซ้าไปนะมันเหี่ยวได้กล้วยเหี่ยวนะถ้าอยากได้สุกแล้วก็บ่มดีๆอย่าให้ความร้อนมันออกอนะขึ้นมามันจะเหลืองเลยเนี่ยมันมียี่ห้อออกมาจากตลาด จำไว้นะเหลือนี่เขาเรียกว่าเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์คือปิดฝาปิดตาปิดหูปิดจมูกเฮ้ยจมูกก็ปิดตาปิดหูปิ ด, ปดลิ้นปิดกายนะจมูกก็คืออย่าไปใส่ใจกับเรื่องอย่างอื่นที่วัดนี่อากาศดีอยู่แล้วละ่นะะไม่สนใจใครสนใจแต่ความรู้สึกปิดขังมันไว้อบมันรมมันเอาจนกระทั่งว่ากิเลสที่มันไปห่อหุ้มในใจในเนี่ยพออบสักพักเคยเห็นเขา รงรักปิดทองเนี่ยเขาจะเข้าห้องอบพออบปุ๊บแล้วมันอยู่แบบนออกมาเปิดเนี่ยมันแน่นเลยมันอยู่อย่างนั้นเลยถ้าไม่อบนี่มันหายนะมันหายไปอ่ะคือมันหลุดร่อนง่ายแต่ถ้าอบแล้วมันไม่ร่อนเหมือนกันเนี่ยอบแล้วมันก็เนี่ยเลื้ยงเลยนี่อันนี้อบกี่วันนี่มันจึงจะสุกเนี่ยือถ้าดูกล้วยนะจะสุกดีไม่ดีนี่ให้ดูที่เหลี่ยมมันน่ะ แก่ไม่แก่ถ้ามันเหลี่ยมเยอะนี่แสดงว่ายังอ่อนอยู่แล้วก็ดูตรงนมมันเนี่ยตัวนี้ไอ้ที่มันแหลมแหลมเป็นหนวดออกมาเนี่หายไปเวลาเราไปตัดกล้วยนะถ้าผลมันยังมีอยู่ในนี้หนวดมันนมมันยังมีอยู่เนี่ยไม่ได้มันยังอ่อนไปต้องให้หนวดอันนี้หลุดไปเองนะไม่ใช่เอามือไปลูบบ อ, อกนะนีแล้วตัดมาได้เลยเนี่ยมันจะสุกเร็วเพิมไม่นานนะสุก นะสํารวมนะปิดฝานี่ต้องสํารวมอันแพรลวงคือการปิดฝางดเว้นไม่พูดคุยอบรมอย่างเดียวเนะี่ยปิดตาปิดหูปิดจ ม, มูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจมันมีพระกรรมฐานองค์หนึ่งชื่อว่าโปติละพระโปธิละรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ดีดีฟังธรรมะก็เข้าใจมีนํามสกุเป็นคนสอนธรรมะด้วยแต่ว่าท่าน ไม่ได้สภาวะรู้แจ้งเกิดขึ้นในจิตท่านแต่เขาพูดอะไรนั้นพุทพูดนี้ปุ๊บท่านรู้ทันทีอยู่หน้านั้นอยู่หน้านี้ว่าแตยปิโตกใบรรดาที่ตอนนั้นข้อความว่าอย่างนี้ต่อมาท่านใกล้มรณภาพต้นแกละละ่แล้วล่ะไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอย่าเป็นใบลานเปล่านะอย่าเป็นภิกษุใบลานเปล่าอย่าเป็นคัมภีร์เปล่าไร้สาระก็ให้มีสภาวะรำปรากฏเกิดขึ้นรองรับความรู้อันนั้นในตัวเองเนี่ย วัดยังไง เ, เวลามันโกรธมันก็โกรธงดหง ก, ก็หงุดหงิดนะเบื่อ น, นะอนก็เบื่อไงรู้ธรรมะนะเหมือนด็อกเตรอร์อะไรที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยง่งวงสร้างจวะซะน้อยถึง่วงเดี๋ยวก็จะนั่งสมาธิเอาเวลาพระไปบอกนะคุณโยมง่วงแล้วนะนะั่นอ๋อเป็นนิวรณ์ใช่ไหมครับนิวร์ข้อข้อที่ สใช่ไหมครับถนนินมีท่ง่วงเอานอนจะต้องแก้ด้วยวิตกวิจารใช่ไหมครับบอัอืมรู้ดีอะตำลบตำลาแต่พอสักพักพระเดินหนีเอายิ่แล้วอืไปบอกโยมหลับอีกแล้วนะไม่ต้องบอกครับผมรู้ผมรู้อืทําไมไม่ลุกเดินจุ ก, กมนะ์น่ะครับวันนบทสีเพระาะแต่พุทธเจ้าพูดว่ายืนเดินนั่งนอนทําได้บดใช่ไหมครับอันนี้ผมนั่งอยู่ผมก็รู้สึกตัวนะครับอืพระเขาจะรีบหนีไปไกลถ้าแบบนี้เนี่ย พวกปทัป ะ, ะปรมะปทัปประมะคือรู้มากแต่ว่าไม่เป็นสักกันนี่ยดื้อด้านปทัปประมะก็คือผู้ที่รู้เยอะแต่ไม่เป็นผู้มีศึกษามีความรู้ความเรียกว่าความรู้ล่อล่อท่วมหัวเนี่ยความรู้ท่วมหัวนะเนี่ยเอาตัวไม่รอดนะมันท่วมหัวเนะี่ย ม, มันไม่ได้ไต้องรู้เวลาพระโยมง่วงนะ ขอบคุณครับใจเดี๋ยวฟังท่านเดี๋ยวท่านจะพูดให้ฟังพอท่านพูดให้ฟังทําเลยคนไหนมีศรัทธาเหมือนจิตมันเปิดอยู่เนี่ยไปทําแล้วมันเป็นเลยง่ายโยมคิดมากไว้วันนี้โอ๊ยไม่คิดเลยครับว่างเปล่าที่ไหนได้หัวแทบระเบิดนะดูคิ้วทําไมควายเหยียบหน้าโยมอะนะมันเข้ามานะ ลอยกาลอยอะไรเหยียบมากมายหลากหลายไม่คิดนะเนี่ยไม่คิดนะคือเป็นยังไงก็บอกท่านแล้วท่านจะบอกให้เลยแนะนําให้นี่เดียวตอบได้โอ้ยทําไงหลวงพ่อวันนี้คิดมากนะเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกให้ว่าโอ้ยหลวงพ่อก็คิดเหมือนกัน <c oughs> นะเหมือนกันเลยโยมโอ้ยทำยังไงนะเออทาตามพระพุทธเจ้า ว, ว่านี่ยแหละเอาลุยเนี่ยก็จะได้อารมณ์อ สำคัญมาอยู่ตรงนั้นแหละมีพระกรรมฐานที่รู้เรื่องดีๆเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยเอาไปมาไปปฏิบัติทำก็ไม่ก้าหน้าไปถามใครเขาก็ไม่อยากตอบไม่อยากพูดให้ฟังเพราะอะไรเพราะมันพูดเยอะเถียงเยอะทําที่เป็นรู้มากทํามไปทำาะไรได้ไปถามถามไปทามาเขาว่ามีเนรนุ่งหนึ่งบรรลุธรรมหลวงพ่อลงไปถามดูดิโอ้ยตายเสียศักดิ์ศรีนะกูเนี่ยระดับพระเถลเแล้วไปถามโยมถามเทระนะ แล้วไปถามเนน้อยนี่ก็อะไรอยู่นะเนน้อยว่าหลวงปูมาถามอะไรผมก็ได้อยู่แต่หลวงปูจะต้องเชื่อฟังผมนะผมพูดอะไรทำตามนะได้เนเน้ยทําอะไรบอกมาเลย เ, ยเอา้าวหลวงปูแต่งตัวเรียบร้อยเข้ามาเนเนนอรหันนะแต่งตัวเรียบร้อยเข้าไปอา้าวหลวงปูลงไปในน้ำ อยู่ใกล้านาำเนี่ยลงไปตรงไปเดินลงไปเอาตรงไปมันก็เปียกดิเอาจะเรียนหรือไม่เรียนนี่ครับครับครับนนลงไปลงไปลงไ ป, งไปพอแล้ว ย, ลยังเน้นยังพอแล้วยังยังลงไปจนถึงนี่นะพอแล้วยังเน้นขึ้นมาขึ้นมาเอาไปเปลี่ยนผ้าคนนั้นนี่เปลี่ยนทําไมไม่ต้องเปลี่ยนโอมันก็เปียกดิเน่ไม่เรียนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยครับครับครัมาเนี่ยมอบการก็้ามานะเอาไปเอามาก็ยอมะเน้นให้ทำนั่นทำนีเอาก็โถนไปล้างที่หลวงปูไปล้าง ทำอะไรก็ทำสุดท้ายก็คือถึงได้ยังเน้นเน้นสอนกรรมฐานได้หน่อยดิทำห้จะ บ, บรรลุทำกับเขาเนี่ยเอาเตรียมตัวยกมือมานี่วางมือทั้งสองข้างลงตรงเขา่าสร้างจังหวะสร้างังหวสังน้อยมันก็ไม่เปลี่นสักที น, นั่นเองเยหลวงปู่เคยเห็นไหมมี จอมปลวกอยู่อันหนึ่งโพลปลวกอันหนึ่งนะมีโพนอยู่อันหนึ่งนนั้นมีเหี้ยเหี้ยภาษาไทยเรียกว่าแลนน่แลนหลวงู่รู้จักแลนไหมฮะเอาเครือกินแกงมันอยู่ไหมออมฮะ โ, โห้เนรู้แหละ ถ้าจะรู้จักถ้าพูดภาษาฝรั่งเนี่ยท่านจะรู้ลุงปูเนี่ยพวกแลนด์พวกอะไรเนี่ยท่านจะรู้มีตัวใหญ่อะ่ะมันวิ่งเข้าในนั่นแต่ก่อนมันมีอันนี้จะหายไปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้อะไรนะไอ้ตู้มผ้าเหลืองนะลุงปูเนี่ในปีกมันจะเหลืองๆอะไรนะที่มันลงในรูนะเออแย้ yeah, เหรออันนั้นอะอันนี้แย่ yeah, ตัวนั้นตัวนี้เป็นแรนพันล้านเอา้าบรรลุแล้วนี่ห่วง ว่าจะคนแง่เท่าพ่อไต่เท่าพ่อไตาใบาขาหนึ่งว่าปากคอกัง่งมันนะอันนี้ก็ว่าสวยได้ที่ใครคือเขาบอกว่าอยู่ในนั้นมีแรนอยู่ตัวหนึ่งมันวิ่งเข้าวิ่งออกแต่มันมีอยู่หกรูนะ มันใหญ่นะโพ น, นนั่นเท่าสล า, าดี้นิดมันใหญ่พอสมควรนะ่ยที่นี่จะให้หลวงปู่จับแลนตัวนั้นนะ่ะทํายังไงจึงจะจับได้ตัวเงินตัวทองน่ะนะกรุงเทพเขเรียกตัวเงินตัวทองภาษาไม่รู้ใครไปเรียกว่าเฮียนะทางนี้นี่ถ้าจะเจอดิเป็นบุญกุศลเนนะีทางโน้นเรียกว่าเฮียโลตะสข้ัศจันยร์นะ วันนั้นเขาก็มาปล่อยอยู่ทําไงจึงจะจับเหี้ยได้ในหกรูเนี่ยมันมีรูหนึ่งอยู่โ น, น่นรูหนึ่งอยู่โ น, น่นรูหนึ่งอยู่นี่รูหนึ่งอยู่นี่จับมันให้ได้จับยังไงเอา้าเธอฮะปิดทุกรูตายพอดีมันตายอยู่นั่นฮะปล่อยรูนึ่งเหรอเอา้าเธอที่ถามรูกตามเมื่อกี้นี่ออกมาเมื่อกี้นี่ทําังไงตับเหี้ยนั่นได้ มีตาอยู่ที่ไหนมีไฟอยู่ที่แก้มไเ อ, เอ้ทำไงจึงจับเหี้ยนี้ได้ <c oughs> ปิดกี่รูนะฮะ <c oughs> ปิดห้าเหลืองรูหนึ่งแล้วน้ำหยอดเท <c oughs> ่าสลานี่เจ้าน้ำหยอดเนี่มันต้องลดดับเพลิงนัน่นมานี่ น้ำหยอดมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ตังกระยักกระหูนะถ้าเป็นหูนี่ก็พอหยอดอยู่นี่เมื่อกี้นี่เขาอุ๊บอุ๊บอ๊บขึ้นมานะแล้วเขากินข้าวไม่ลงกินไม่ได้เน้นมันจะอาเจียนมนะันตอนนี้ดีขึ้นนะดีขึ้นพอมาแก้อารมณ์เสร็จ ป, ปุ๊บเขาไปมดกระลมังเลย เมื่อกี้กินไม่ได้เนี่ยอย่างนี้แหละครับครูบาอาจารย์ก็เป็นพี่เลี้ยงก็คอยช่วยปิดห้ารูเหลือไว้รูหนึ่งแอบเอาตรงนั้นอะเอาถุงไปครอบไว้เดี๋ยวมันก็ออกมาหรือไม่ก็ไฟแดขก็ไปเผายีรูหนึ่งควันมันจะเข้าอะเคยรู้จักแกลบไหมแกลบรู้จักนะเอาใส่ในบ้างแล้วก็เป่าควัน แล้วเขไปแย่เข้าในี่รูนึนก็เป่าเป่าควันมันจะไปว่ายไปไร่มามันวิ่งไปรูนั้นมันต้องไปออกรูนั้นนะฮะหลวงปูป่บอกอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจดดีนะว่าจะทํายังไงเสร็จปุ๊บเอาละนน่เน่หมท่านก็เข้าไปหลวงปู่แล้วแต่เด้อท่านก็ไปแอบดูไปเฝ้าดูใสจุ๊บซะน้อยปิดห้ารูคุณ ต, ต้องปิดห้ารูรู้ทันดีนะปิดห้ารู คอยตะคุบเอารูเดียวดิเราเข้าใจเหมือนหลวงปู่นั่นเลยนะเนี่ยท่านก็นไปแอบดูลูหนึ่งลูไหนของเรามีหกลูของเรามีหกรู ร, ร, รูอะไรบ้างตาหูตากีร่รหนึ่งตาหนึ่งเขานับเป็นหนึ่งนะตาหูจมูกเนี่ยมันชอบไปเนี่ย จิตเราเนี่คือเฮี้ยตัวนั้นน่ะมันชอบวิ่งไปทางตาตาเห็นปุ๊บัก็วิ่งไปทางตานี่นะโอหคือจิตนี่แหละเฮี้ยนะ่ะมันก็ชอบวิ่งออกไปทางหูได้ยินเรื่องอะไรมาไปเนี่ยบางทีก็ไปทางรูจะโมกนะทำไมไม่เรียกว่าจะโมกเนาะเวลาขี้โมกน้ำไหลมาเป็นขะี้โมกแต่อันนี้เรียกว่าจะโมกนะจะูมกภาษาไทยนี่ก็เหลือกเกินนะ ลิ้นลิ้นคือปากนี่แหละเห็นไหมมันไปแล้วเมื่อกี้นี่อัลวาดห อ, อ, อันนั้นเมื่อกี้นี่จงตาได้ยินนะวันคิดขึ้นมาว่ามักหงงหนา้าะมาปาดเนาะ <c oughs> มึงต้องคิดนะเนี่ยของฮอลแลนดน์นะเนี่ยทันปิดตาสองลูกปิดจมูกสองรูปิดหูสองข้างปิดปากซะบ้างแล้วก็มาเฝ้ารูไหนรูใจเคยเห็นพระปิดทาวารไหม พระปิตวาอยาลูกกรตราพระปิถวานเคยได้ยินหพระปิตวานครูบอกอ้ยทำรูปพระปิตวาลให้โยมดูหน่อยพระปิตวาลเอานั่งปิถวานดิในในไปทล ย, ยังลผู้สั่งดูดิปดลหรือยังฮะฮะอทางขึ้นนนยทางขึ้นวัด ผู้เจ้ากูผู้อันนั้น่ะผู้ทอกน่ะทำดูดิปิดทวารไว้จะไปปิดรู ก, ก้นมันไม่ใช่มันคนละรูนะอันนั้นอ่ะไม่ผิดท่าแล้วเว้ยเนี่ยจนพี่เส้นอย่างนึงมันรู้จากทวารว่าไหมเนี่ยเขาบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีตูดเลยเมื่อกี้นี่ ลกขึ้นก็นมืออุดก้นพระปิตวานมันก็ไม่ได้ขี่ก็ตายแหละเนาะอันนี้มันโอ้อารมย์โยมจะตกหมดแล้วมันหลุดหมดหัวร่อเน่ยนะไปเดินจุกรมก็ทําตามท่านนะแต่เดินจุกรมไปก็อุดพระปิตวานแล้วกูวันนี้นิดนึ ง, งนรับรองบรรลุทํำแน่ๆนะมืออุดตูดไปเนี่ยตายพอดีแหละที่เนี่ย ปิดตาสอูกปิดจมูกสองลูปิดหูสองคืออย่างเงี้ยเขาทำผมวิดูนะนี่เราปิดได้ยังปากนะจมูกตาหูยังไม่ถึงน่ะหูด้วยตาหูจมูกปากอะไรอีกนะลิ้นกายปิดกายด้วยปิดกายไม่ให้คนเห็นชันเข่าขึ้นดิ ตั้งขึ้นระวังระวังใช้โทรทัศน์โอ้ยมันไม่หอดไม่ดีเนีวันละพัละพันละอโยมไปปิดลองดูนะปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้งปิดกายปิดใจปิดฝาปิดฝาคุ้ยเนี่ยแสดงไม่ดีว่ะเอาลงปูนสังดีกว่ามันอันนี้พระปิดทวาลตัวนี้ปิดชัดตัวนี้รับรองนะอันนี้มองยังไงก็ไม่เห็นเพราะมันดํำไหมคน ว่าดํารูบกุ้ยเกขาวดูดูเอาเตรียมตัวเด้อตอนบ่าย เ, ยเด้อวันนี้เก็บอารมณ์นะเกย์พารมต้องนอิ่งต้องเซ่อเอาจริงจริงพอเสร็จปุ๊บแปลงฟันปุ๊บ๊เสร็จเลยมาที่สนตาเห็นบางคนนะเขาถือแปรงสีฟันพกเดินไปที่จงกรมมันมีห้องน้ําให้เขาไปแปรงอยู่โน่นตามก๊อกตาลไรเสร็จพุ๊เขาเดินจงกรมเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะตามไปรอสักสองชั่วโมงหลวงปู่สั่งนะท่านเดินโอ้ข่าวดีหน่อย วันนั้นมีพระเดินจุกรมกลางคืนนะกี่รูปนะตีหนึ่งนะโยมคนไหนบ้างเดินถึงแจ้งวันนั้นนะ่ะถึงตีละครังโยมขึ้นในนี่มีไหมเขากลับไปเนาะมีอยู่สิบคนนะ่ะคืนนั้นปฏิบัติโต้รุ่งในสิบคนดึกไปดึกไปก็เหลืออยู่สี่คนแต่หลวงปู่สังกับเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากหลวงปู่ปฏิบัติทาท่านมา โอ้ยหลวงตาผมก็ตั้งโลงตั้งโปรงได้อารมณ์ยนสว่างตอนกลางวันมันยังมีง่วงเดินจุกรมสบายเลยนี่มีท่านพระองค์เดียวนะที่ขลังมากเนี่ยไม่นอนเลยคืนนั้นนะ่ะสว่างคักบนลงภูขึ้นนั้นคักเนะียท่านยังว่าหลวงตากโกหกหาก็ไม่เห็นเหมือนกันหลวงตาเดินจุกรมอยู่ทางโน้นว่ะเลยไม่เห็นกัน ลุงปู่นี่รู้จักไม่ชั้นเรียนจบชั้นไหนือเขาเคยถามลุงตานะไปด้วยกันกับลุงปู่นะจบชั้นไหนลุงตาบอกจบชั้นตรีครับนักธรรมตรีไงท่านบอกว่าต้องหันลิ้นต้องอะไรด้วยดิโตจนป่านนี้แล้วรู้จักตรีตรีตรนักธรรมชั้นตรีพูดใหม่นี่นักธรรมชั้นตรีแล้วที่ทางลุงปู่สั่งอ่าแล้วลุงปู่นี่ล่ะนักธรรมชั้นโตรครับ ฉันจบแ้้วทำเช่นโถวโอ้ยขู่ไหลน้องก็ตกใจใก่อนแล้วเอา้าเตรียมตัวไป